บุกทูเจ็ดสิบสองเจ็ดต้องชัตสติมูซิตต้องมูซิตผมต้องส่งจดหมา ย, ยาม ผมต้องจ่ายค่าโรงแรมคุณต้องตื่นแต่เช้าคุณต้องทำงานมากคุณต้องตรงเวลา เขาต้องเติมน้ำมั น, นมาามเขาต้องซ่อมรถมรมมเขาต้องล้างรถรออเขาต้องซื้อของเธอต้องทำความสะอาดอาพาร์ตเมนต์ Яна м ามุสิต์ปรับร ц านซูควเอเตอเธอต้องซักเสื้อผ้า яна м ามุสิต์พัมมิทเบลิซนเราต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้เราต้องไปทำงานเดี๋ยวนี้เราต้องไปหาหมอเดี๋ยวนี้ Мы มือซิมสาระจะอิสติ о าดุกตระพวกคุณต้องรอรถเมย์พวกคุณต้องรอรถไฟพวกคุณต้องรอรถแท็กซี่